หลวงพ่อท่านบอกหลวงพ่อสบายดียิ้มแย้มแจ่มใสที่ยิ้มแย้มแจ่มใสยพยมน้อยโยมเป็นย่งบ้างสติเกิดบ่อยไหมใช้ไหมเนี่ยประธานโทษคะ่ะช่วยถามหน่อย <c oughs> สติเกิดบ่อยหรือยังอ๋อก็บ่อยมากขึ้นเจ้าคะ่ะเห็นกิเลสเยอะไหมเห็นกิเลสเยอะไหมหรือไม่โฟเลย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 <น>ดีนะดีที่สุดเลยดูออกไหมเผลอวันเลยชั่วโมงหนึ่งกี่ครั้งได้ออไม่ได้นับหรอค่ะถึงร้อยไหมไม่ถึงใช่ไหมยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะว่าจริงจริงแล้วใจคนถ้ามันเผลอทุกวินาทีสองวินาทีขยับไปแล้จริงๆก็คือจิตมันเกิดดับรวดเร็วมากเลยนี่พอเกิดดับแล้วส่วนใหญ่จิตที่เกิดขึ้นจะเป็นอกุศลจิตอกุศลเกิดบ่อย มันจะไหลว้าบ้า บ, บ, บ, บ, บไปด้วยแต่ถ้าสติเราเร็วขึ้นนะมันไหลบ้าแต่นิดเดียวเราก็รู้สึกแล้วรู้สึกแล้วมันทรงอยู่ได้ชั่วขณะเดียวจริงๆก็คือเจ็ดขณะจิตถ้าพูดแบบปริยัตจริงๆก็ชั่วแว บ, บเดียวเร็วเหมือนกับพริบตานะก็เคลื่อนอีกแล้วขยับปับ๊บปั๊บปั บ, ปบให้เราคอยรู้ใจที่หนีไปคิดนะให้รู้บ่อยๆเหนะ็นใจขยับขยับยบิ่งดี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 เมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติให้มีสติดอกสติเป็นแค่เครื่องอาศัยเพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้ไม่มีสติอย่างตอนนี้ใจไหลไปคิดทราบไหมใจไหลแว บ, บไปแล้วก็คปรู้รู้ไปเรยแต่ลําจะ้เห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์เบื้องต้นก่อนจะเห็นไตรลักษณ์สติจะเกิดเกิดสติก่อนถ้าจิตเราจำสภาวะที่จิตไหลไปได้ไหลแวบบ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 หัรู้สภาวะบ่อยๆเพื่อให้จิตรู้จักสภาวะและจิตจําสภาวะได้แล้วสติเกิดเองต้องเกิดเองอันที่สองพอสติเกิดเองแล้วบางทีสติระลึกรู้กายดะลึกรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆกายกับใจก็แสดงไตรลักษ์ให้ดูนี่เป็นขั้นเจริญปัญญานี่จะมีสองขั้นตอนเราสติปัฏฐานตอนนี้ไปคิดทราบไหม กำลังคิดทบทวนสิ่งที่สร้างมันใช่เนีหลวงพ่อนั้นไม่ได้สอนอะไรเยอะหรอกจริงๆสอนให้ดูสภาวะเฉลยเลยก็ได้ธรรมะพูดเหมือนกันว่ามีเยอะแยะจริงๆสิ่งที่ต้องการให้พวกเราเห็นคือสภาวะอย่างเราเห็นสภาวะที่จิตขยับกระเยื่นจิตไหลไปไหลามาเห็นสภาวะที่รูปเคลื่อนไหวเห็นสภาวะที่จิตเคลื่อนไหวหาดรู้จักสภาวะ ถ้าพอรู้จักสภาวะแล้วสติจะเกิดเองเมื่อสติเกิดนะฮิริโอตัปะจะเกิดเวลาเราจะทําชั่วหรือเราคิดชั่วมันจะรู้สึกระอายละอายใจแล้วก็กลัวผลของบาปบาปมีผลเป็นทุกข์เวลาจะเกิดอินรียสังวร อ, อัตโนมัติตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบไไะอะไรเนี่ยสติจะคอยระลึกรู้มันบันไหวยินดียินร้ายขึ้นมาสติจะคอยรู้ใจก็จะเป็นกลาง จิตใจก็สงบสุขมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นลําดับกันฉะนั้นสิ่งที่มาฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยนะมาเรียนทั้งหมดเนี่ยเบื้องต้นเลยก็เพื่อให้เกิดสติหัดรู้จักสภาวะเรียนเรื่องสภาวะถ้าเรียนอภิธรรมก็จะเรียนจากสภาวะธรรม72ตัวมีสภาวะธรรม72ตัวมีนิพพานหนึ่งอย่างมีจิตหนึ่งอย่าง จิตนี้เป็นสภาวะอันเดียวมีรูป18บแปรูปรูปแท้ๆมี18รูปรูปเทียมๆมีอีก10รูปเขาเรียนแต่รูปแท้18รูปเจตสิกห้ตัวรวมเป็นสภาวะธรรม72ตัวนี่เรียนแบบปริยัติแต่เราเรียนปฏิบัติเรหัดดูของจริงเดี๋ยวใจก็โลภเดี๋ยวใจก็โกรธเดี๋ยวใจก็หลงเดี๋ยวใจก็ไหลไปคิดไหลไปคิดแต่ถ้าโยมสติเร็วโยมเห็นใจไหลไปคิดไหลไปคิดนะ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 ศึกษาอะไรเยอะแยะแต่ ว, วิชาทางธรรมเนี่ยถ้าเราหัารู้จักสภาวะจนสติเกิดเองศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตต์จเกิดเองเนี่ยหนีไปแล้วทราบไหมการอย่างนี้นะเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆฝึกซ้อมอยู่ตรงเนี้ยซ้อมมากๆแล้วเล่นสบายๆสบายโยมเป็นไงโยมกิ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 ทุกก็ได้สุข ก, ก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวนะสงบฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวนี่ความจริงความจริงอยู่นี่ในสุดเห็นเลยสภาวะทั้งหลายก็เป็นของชั่วคราวถ้าโ ส, สดาบันรู้ตรงนี้เองรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปให้คุณหมูเป็นไงใจลอยไปแล้วแล้วไงก็คือเห็นส่วนใหญ่ผมจะรู้แต่ว่าเผลอไปคิดเรื่องโนเรื่องนี้แต่ว่า แต่ว่าไม่ค่อยได้รู้ว่าบาัญชีเหมือนก็มีโทสะหรือมีเลยราคะหรือมันมันไม่ไม่ไม่ทันจะมีราคาโทส ะ, เ ป, ะาาเป็นรูกของโมหะราคะเป็นรูปของโมหะโทสะเป็นหลานของโมหะเนี่ยเชื้อสายของกิเลส น, นะคือทีแรกต้องหลงก่อนถ้าหลงกันแล้วก็ผูกพันผูกพันไว้นี่เป็นตัวเรานี่มีราคานะ เป็นตัวเรารักใข้หวงแหนอยากให้มีความสุขมีโลภอยากเข้ามาอีกพอยากแล้วไม่สมอยากเนีย่ยโทสะเกิดแล้วะถ้าอยากแล้วสมอยากาาาก็ราคะก็รุนแรงขึ้นเพราะนจีเกเลตมันมีนะเกเลตพ่อกิเลตแม่ก็คือโมหะตัวหลงกิเลตลูกก็คือราคะกิเลตหลานคือโทสะมีมีระดับนะโทสะเนี่กิเลส ช, ชั้นกระจอก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 แล้วมีแต่ความสุขล้วนๆตอนนี้ใจที่ไม่ก่อไม่เกี่ยวอะไรมีความสุขใจของคุณนาตอนนี้นะมันเหมือนดอกบัวอยู่ในน้ำํำบางทีน้ําไหวยังกระชอกได้นะดอกบัวก็แปลงๆได้แต่ว่ามีความสุขอย่างนี้ลนะสงบอยูนะ่ภาวนาอย่างนี้ก็ดีแล้วต่อไปคิดดูนะถ้าไม่มีดอกบัวเนี่ยมันจะมีความสุขขนาดไหนเนะีนะ่ยนะนะภาวนาจนถึงจุดสุดท้ายไม่มีดอกบัวตรงนี้ ตอนนี้มีดอกบัวอยู่กับน้ําแต่ดอกบัวอยู่กับน้ําไม่เปื้อนน้าอยู่กับโคลนไม่เปื้อนโคลนจิตใจของเราอยู่กับโลกอยู่กับขันนี่แหละขันนั้นไม่ปนเปื้อนเข้ามาเพราะจิตของเรามีสติสมาธิปัญญารักษาคุ้มครองไว้ใช้ได้ภาวนาดีอ่ะสองคนนี้ชื่ออะไรชื่ออ้อยอ้อยเยอะมากเลยวันนี้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 สามก็จําได้ก่อนหน้านั้นก็จําได้แล้วเราเราพอสอนสาร้อนี่อยู่กับอาจารย์อาจารย์ชื่อปียทัต ส, สุจําได้แม่นนะอยู่ในป่านี่อาจารย์เป็นมะเร็งผิวหนังมันกินลึกๆเลยที่หน้าแข้งถ้านี่หายาหาใบไม้หาอะไรมาพอกนะยามารักษาไม่หายพออาจารย์ใกล้มรรลภาพนะนั่งร้องไห้เลยพระนี่อาจารย์ก็สอน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 ธรรมะนี้จะผุดขึ้นมาสอนเราได้บางคนมีเสียงหลงพ่อประกอบด้วยน ะ, ะมีเสียงประกอบบางคนมีหน้าประกอบด้วยนะถ้าเสียงประกอบนี่ยังสบายใจดูไป น, นะความีหน้าประกอบนี่นะั่เกง็งไม่เฉพาะอยู่ที่ทวัดนะอยู่ที่บ้านพอเห็นหน้าประกอบนี่นก็จะเก็งขึ้นมาละใครๆเป็นมัน่งใครมีเสียงผุดมั่งเยอะแยะ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 โมหาน้อยกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวก็หายพวกเรายินสีีย่างอ่อนคล้ายๆ้าดาวฤกษ์นะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ก็แสงจ้าหน่อยโคจรไปห่างๆก็ริบหรี่ริบรีบรนะอีกหน่อยภาวนาหนะ้าก็กลายเป็นดาวฤกษ์ รู้สึกบางทีมันจ ง, จงใจปฏิบัติอะเจ้าค่ะก็บางทีสติที่เกิดก็เลยแบบรู้ว่าแบบมันแกล้งทำอะเจ้าค่ะ อ, อะดีตที่เห็น <c oughs> นะมันแกล้งน้อยลงะรู้สึกไหมมันยังให้ความจงใจมันทําให้ใจเราทื่อๆอยู่นิดนึงตัวเนี้ยที่วันก่อนมาขออยู่วัดที่หลวงพ่อยังไม่ให้อยู่ะไม่ได้ลําเอียงนะดูออกแล้วใช่ไหมมันทําให้เราไม่ตื่นเพราะใจเราจะไปเกาะทื่อๆไว้งั้นอนะ แต่ว่าตอนวันนี้ตื่นมากกว่าเมื่อวันน้นละดูออกไหมถ้าวันนี้จะขอก็ขอซะนะอ้อา้าวจก็ยังมีถลำไปดูแค่หนึ่งนะโยมเบอร์สิบอะไม่กี้ทําอะไรเสร็จตับผุดพอเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกอยังเป็นสภาวะไม่เกี่ยวกับกําหนดนะกําหนดนั่นแหละตัวอุปสรรคเลยตัวอุปสรรคเพ้ามันเป็นโลภะ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 อย่างตอนหลูงพ่อพูดธรรมะใหม่ๆนะคนไม่ฟังนะไม่เชื่อนี่บางคนเชื่อค่อยๆฝึกไปสอนอริยสัจ ส, สอนอะไรอย่างเงี้ยสอนสติปัฏฐานสอนอะไรธรรมดาธรรมดานี่ไม่ได้สอนว่าให้นั่งท่าไหนเดินท่าไหนหายใจท่าไหนไม่เคยสอนเลยคนมาถามว่าเดินจงกรมท่าไหนทีอบอกพ่อแม่สอนให้เดินไงก็เดินงนั้นแหลนะพ่อแม่เราเป็นครูที่ดีที่สุดของเราแล้ว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 ฟังหลวงพ่อไปเรืเร่อยๆภาวนาจิตใจรู้ตื่นเบิกบานนะมีจํานวนเป็นพันละตอนเนี้ยเยอะแยะที่ภาวนาได้ดิบยอะดีขึ้นมานะเอาตัวรอดไปก็มียังปลุกปลวิโผล่อยู่ก็เยอะหลังๆนะไม่ค่อยได้ยินนะปกติไม่ค่อยได้ยินคนมาบอกว่าหลวงพ่อประโมทสอนผิดไม่ค่อยกล้าเถียงกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อมีตํารายืนยัน นี่ปริยัตเขาว่าอย่างงี้นะอพี่รำเขาว่าอย่างนี้นะรรมนนะไม่ค่อยมีใครกล้าเถียงด้วยนะสอนผิดนะแต่ว่าพูดอยู่เหมือนๆกันนะหลายๆสำนักเจ้าสำนักทั้งหลายชอบพูดเหมือนกันหลวงพ่อประโมทสอนถูกแต่ยากเกินไปนธรรมะสูงเกินไปต้องมาทําเบสิกอย่างของอาตมาหรือของดิฉันบอกก่อนต้องทําเบสิกอย่างนี้ก่อนแล้ววันหนึ่งคือจะทําอย่างหลวงพ่อประโมทได้